เป็นวันคลายวันมรณภาพนะของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนมรณภาพเมื่อส4ปีที่แล้วนะสิกันยาหลายคนนะไม่รู้หรือจําไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนั้นไม่สําคัญเท่ากับว่าท่านสอนอะไรนะอันนี้สําคัญกว่าหลวงพ่อเทียนท่านสอนเรื่องการพ้นทุกข์นะ และวิธีสู่ความพ้นทุกข์นะที่สาคัญก็คือการมีความรู้สึกตัวหรือการทำความรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าเป็นกุญแจสาคัญเลยนะเพราะว่ามันจะนำไปสู่การทำลายความหลงนะความหลงคือการไม่รู้ความจริงนะที่ทำให้คนเราเนี่ยนะ เกิดความยึดติดถือมั่นแล้วก็นําไปสู่ความทุกข์นะเรื่องแต่การหลงคิดนะนะหลงคิดแล้วก็หลงปรุงแล้วก็หลงยึดหนละวงพ่อเทียนเนี่ยท่านจะพูดเรื่องความรู้สึกตัวหรือว่าสติเนี่ยมากทีเดียวที่จริงครูบาอาจารย์ท่านอื่นท่านก็สอนนะเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็น พื้นฐานสำคัญเลยนะของการปฏิบัติพุทเจ้าเองก็สอนให้มีความสึกตัวในทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนแม้กระทั่งกินดื่มเช้ยวลิ้มแม้กระทั่งเวลาครองจีวอนสภายบาดผ้าสังกติหรือถ้าเป็นคารว่าก็ใส่เสื้อผ้าสวมกางเกงแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ต้องทงความสึกตัวไปทุกย หรือมีความรู้สึกตัวในการทากิจเหล่านั้นท่านครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็สอนเรื่องนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ท่านจะสอนเรื่องอื่นด้วยสอนเรื่องทาเรื่องศีล น, นะแต่ว่าหลวงพ่อเทียนนี่เรียกว่าท่านตรงเลยนะตรงมาสู่เรื่องความรู้สึกตัวซึ่งเป็นหัวใจของการภาวนาท่านจะไม่ค่อยเน้นเรื่องทาเรื่องศีลมากเพราะว่า คนก็รู้ดีอยู่แล้วนะแล้วบางทีคนก็ไปติดกับเรื่องทาเรื่องศีลจนหรือเรื่องภาวนาแม้กระทั่งภาวนาเนี่ยก็เป็นในเรื่องความสงบแต่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านในเรื่องความรู้สึกตัวคนมาปฏิบัติกับท่านทีแรกก็หวังความสงบนะแต่ก็อาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะว่าหลวงพ่อเทียนท่านเป็นในเรื่องความรู้สึกตัวแทนและนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเทียนนะคือว่า คำสอนและวิธีการสอนงท่านเนี่ยมักจะสวนทางกับความคาดหวังหรือความเข้าใจของคนเวลาคนเนี่ยพูดถึงการภาวนาหรือว่าพอลงมือภาวนาเนี่ยก็นึกถึงการทำตัวนิ่งๆ น, นะหลับตาแล้วก็นั่งนิ่งๆ น, นะหรือเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวช้าๆแต่การปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนพาทำเนี่ยนะ มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะลืมตาแล้วก็เคลื่อนไหวแม้กระทั่งเวลานั่งนี่ก็ยกมือนะเคลื่อนไหวนะเป็นจังหวะเวลาเดินจงกรมก็ไม่ได้เดินช้าช้าแล้วก็ไม่มีคาบริกรรมด้วยเพื่อให้ใจสงบนะแต่ว่าเดินปกติและบางครั้งเนี่ยถ้ามันสงบมากๆก็ต้องเดินเร็วๆเพื่อกระตุ้นหรือปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมา แล้วเวลาท่านสอนเนี่ยแม้ว่าท่านจะเน้นว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะว่าหลงคิดต้องรู้ทันความคิดแต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เป็นปฏิบัติกับความคิดนะแม้ว่าความคิดเนี่ยหรือความหลงคิดทำให้ทุกเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้สอนว่าเนี่ย จะต้องปฏิเสธความคิดหรือว่ากดข่มความคิดหรือไปสู้รกกบประมือความคิดแล้วคนที่ฟังธรรมะหรือคําสอนของหลวงพ่อเทียนใหม่ๆเนี่ยไปเข้าใจว่าเนี่ยในเมื่อทุกเนี่ยเพราะความคิดหรือทุกเพราะหลงคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามไปกดข่มความคิดหรือว่าให้ความคิดมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่หลวงพ่อเทียนกับสอนว่าอย่าห้ามคิดนะ อันนี้มันก็สวนทางกับความเข้าใจของญาติโยมแม้กระทั่งลูกศิษย์ของท่านที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆแต่ว่าอย่าห้ามคิดมันจะคิดก็คิดไปนะท่านหนึงก็บอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะก็คือปล่อยให้มันคิดไปเพราะว่าความคิดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันเป็นแบบฝึกหัดให้เกิดความรู้ตัวเป็นแบบฝึกหัดให้สติได้รู้ทันความคิด เราจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรนะถ้าว่าไม่มีความคิดมาเป็นแตบฝึกหันนะท่านนึงบอกเนี่ยยิ่งคิดยิ่งรู้นะนะคนที่ฟังกับสองท่านเนี่ยไม่ไม่ครบถ้วนนะก็จะไปเข้าใจว่าเนี่ยมันคิดเมื่อไหร่ก็ต้องไปกดมนันเอาไว้ต้องไปตะบีตะบันนะไล่บีมันท่านนั้นบอกไม่ต้องเลยนะอย่าไปห้ามคิด อนุญาตหรือไปไยมันคิดไปเพราะว่ายิ่งคิดยิ่งรู้แต่ไม่ใช่ตามความคิดไปนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเทียนนะคำสอนท่านนี่มักจะสวนทางกับความคิดความเข้าใจของผู้คนแม้กระทั่งกับลูกศิษย์นะและสิ่งหนึ่งที่ท่านเน้นนะถือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยของการ สอนธรรมของหลวงพ่อเนี่ยก็คือท่านต้องการปลุกให้คนตื่นจากความหลงโดยเพราะความยึดติดนะในพิธีกรรมหรือความหลงงมงายในพิธีกรรมรวมทั้งความหลงงมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะที่ว่าคนเนี่ยพอเข้าหาศาสนาแล้วเนี่ยก็จะไปติดที่พิธีกรรมมากแล้วเกิดความหลงงมงาย หรือไม่ก็ไปหลงงอ ง, งายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งไม่รู้จักพึ่งตัวเองพึ่งพาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหวังอำนาจดนบันดาล <S <S และพอพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปติดพิธีกรรมเพราะคิดว่าพิธีกรรมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นงั้นในช่วงที่ท่านสอนทาใหม่นี่ ท่านจะทํำหลายอย่างเลยนะที่ทําให้คนเนี่ยคลายความหลงงมงายในพิธีกรรมเช่นท่านพูดอยู่เสมอหรือบางทีทำให้ดูได้นะว่าเนี่ยอย่างเช่นเวลาจะต่ออายุพ่อแม่เนี่ยแทนที่จะไปนิมนต์พระมาสวดนะเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นบุญกุศลให้กับพ่อแม่ท่านบอกว่าเนี่ย ทำดีกับพ่อแม่นี่ดีกว่าขอรบพ่อแม่บูชาคุณความดีของท่านนะทำความดีให้กับท่านอันเนี้ยเป็นการต่ อ, อยุพ่อแม่ได้ดีกว่าการไปนิมนต์พระมาสวดนะในวันสำคัญของท่านเช่นวันเกิดหรือวันครบอาอยุ60ปีแันะ้พิธิกรรมเหล่านี้ท่านท่านท่านไม่เอาเลยแต่ท่านจะสอนให้คนเนี้ยหันมาทำความดีนะ หันมาเน่นที่เนื้อหาสาระหรืออย่างคนเราเนี่ยถ้าหากว่าหวังความเจริญนะหวังความสุขเนี่ยไม่ต้องไปหวังพึ่งนะพวกพักเครื่องเครื่องรังของขลังซึ่งเป็นสิ่งนอกตัวให้ทําความดีเดี๋พระมีความรู้สึกตัวไม่หลงในความคิดไม่หลงในความสุขความเพลิดเพลินนะ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตก็จะเจริญได้รวมทั้งไม่ไปติดในรูปแบบด้วยมืท่านสอนแล้เนี่ยเช่นความเป็นพระหรือความเป็นโยมเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตินะยิ่งไปกำหนดหมายว่าเนี่ยถ้าผมจีวรเนี่ยจึงจะเป็นพระส่วนคารวาวาเนี่ยก็ต้องนุ่งกางเกงนุ่งผ้าถุงอันนี้เรียกว่าไปติดสมมุติ พ้งจรงแล้วนความเป็นพระเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จีวรนะคนที่เป็นพระเนี่ยนุ่งกางเกงหรือว่าใสา่ผ้าถุงก็ได้หากว่าจิตนะมีความสะอาดมีความโลภน้อยมีความมีกระตัวน้อยมีความสึกตัวมากหรือพูงคือคุณธรรมภายในเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ความเป็นพระมากกว่ามีคราวหนึ่งนะ อาจารย์โกวิดเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนในช่วงหลังๆเนี่ยท่านลาศิกขาลาศิกขาขณะที่อยู่ไปที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากบวชมา1 6บหพรรษาญาติโยมก็เสียใจแล้วก็ไม่พอใจแต่ต่อมาเนี่ยหลวงพ่อเทียนก็เชิญอาจารย์โกวิดเนี่ยมาแสดงธรรมที่วัดสนามในก็มีญาติโยมหลายคนเนี่ยไม่พอใจนะ แล้วก็แสดงความต่อต้านนะนะเพราะว่าจะเอาคารว่านี่มาแสดงธรรมได้อย่างไรโดยเฉพาะคารว่าที่เคยบวชพระแล้วกลาสิกขาวันที่อาจารย์กุ้ยก็มาแสดงธรรมเนี่ยหลวงพอเทียนก็บอกให้อาจารย์กุ้ยก็เอาผ้าคลุมมาเอาเสื้อคลุมนะอาจารย์กุ้ยทีแรกก็งงๆนะหลวงพ่อเทียนจะไปทําไมไม่ไต่เอาเสือเ้อคลุมมาเดียวด้วยเอาหมวกด้วยนะหมวกกุยเล้ง พอหลวงพ่อเทียนได้ท่านก็สวมเลยนะทั้งผ้าคลุมแล้วก็หมวกแล้วก็ยืนอยู่นั่งอยู่กลางลานญาติโยมเนี่ยที่มาวัดสนามในเนี่ยก็งงนะพระก็งงนว่าหลวงพ่อเทียนกําลังทําอะไรเฉวบานคนฉลาดจึงเข้าใจว่าเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านกาลังสอนว่าอย่าไปติดที่เสื้อผ้าอย่าไปติดที่จีวรความเป็นพระนี่มันไม่อยูที่จีวรแต่มันอยู่ที่คุณธรรมภายใน หลวงปเทียนเนี่ยแม้ว่าจะผมผ้าแบบคารวาดแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นพระของท่านเนี่ยหายไปนะที่ฉันกำลังสอนโยมนะว่าอย่าไปติดที่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือจีวรให้เข้าถึงแก่นแท้ภายในนั่นก็หมายความว่าเนี่ยแม้อาจารย์กูริศเนี่ยนะจะนุ่งกางเกงแล้ว แต่ว่าท่านก็อาจจะยังมีความเป็นพระอยู่ก็ได้จะไปติดที่รูปแบบอย่าไปติดที่เสื้อผ้าอย่าไปติดแม้กระทั่งคําว่าคารวะหรือความเป็นพระเพราะนั่นก็เป็นสมมุติหลงเตณั้นหลวงวัดเตณั้นก็ทำมากนะทำให้คนเนี่ยไม่ติดในสมมุติและที่จริงเนี่ยถ้าเอาปฏิบัติทำจนถึงขั้นเนี่ยนะก็จะเกิดปัญญานะจนรู้สมมุติแล้วก็ไม่ติดในสมมุติ จริงๆนี่ก็เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งของท่านนะเวลาพูดถึงครูบาอาจารย์เราก็พูดถึงว่าเนี่ยอครูบาอาจารย์ต้องทําให้ดูอยู่ให้เห็นแต่หลวงพ่อเทียนนี่ไม่ใช่แค่ทําให้ดูนะทาให้ฉุกคิดด้วยหลายอย่างนี้ท่านทําเนี่ยเพื่อให้คนได้ฉุกคิดอย่างอาจากวิดยเนี่ยท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านยังไม่ได้สนใจหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็ชอบเรื่องปริยัตมากเวลาแสดงธรรมก็ จะพูดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงม่เทียนฟังพอหลวงอาจารย์โกวิพูดจบตอนนี้ยเป็นพระนะหลวงม่เทียนก็ไปถามเลยนะอาจารย์เนี่ยเอาความรู้ที่มาจากไหนอาจารย์โเวิทงงเลยนะแล้วคืนนั้นเนี่ยหลวงม่เทียนท่านก็มาหาอาจารย์โกวิทที่กุฏิบอกขอได้นาะอาจารย์โกวิทก็คลี่ได้ให้พอคลี่ได้เสร็จหลวงพ่เทียนก็ตัดได้ขาดเลย แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ยังปฏิบัติไม่ถึงจุดนี้นะก็ยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกอาจารก็ไปนี่งงเลยนะเอ๊หลวง่าเทียนสอนอะไรท่านกำลังจะบอกอะไรอันนี้เป็นวิธีการท่านนะคือว่าท่านชอบทำให้ฉุกคิดบางทีโยมกำลังนั่งสมาธิหรือว่าพระกาลังภาวนาอย่างสงบนะท่านก็เดินผ่านแล้วก็เอาผ้าคลุมหัว พอเดินผ่านเสร็จท่านก็เอาผ้านั่นนะดึงออกมาจากหัวออกจากศรีรษะท่านให้ดูนะลูกศิษย์ก็งงนะท่านกำลงังจะสอนอะไรนะตอนหลังก็เข้าใจวท่านสอนอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงแม้กระทั่งหลงความพิเรหลงความสงบอย่าไปติดสงบนะให้รู้สึกตัวไว้ท่านไม่ได้พูดเพราะสมัยก่อนท่านพูดไม่ยเก่งนะแต่ท่านก็ทาให้ดูนะเป็นปิศนาแต่ตอนหลัง ท่านก็พูดมากขึ้นนะเพราะว่าท่านรู้วิธีพูดศึกษาจากครูบาอาจารย์ท่านต่างๆรวมทั้งท่านอาจารพุทธทาสแต่ว่าเรื่องการทําให้ฉุกคิดนี่ก็ยังท่านก็ยังทําอยู่เป็นระยะระยะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเทียนนะที่าหาครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาเทียบเชียงได้ยากนะก็ระลึกถึงท่านเอาไว้นะในวันที่ท่านคล้ายวันที่ท่านมารณภาพ